4. ตนเป็นที่พึ่งของตนพระองค์ตรัสว่าอัตต ah ok oh ah าหิตอัตโนนาโโโกหินาโโปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลัปปติทุลพังแปลว่าตนเปที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากพระพุทธภาสิทธินี้คุ้นหูของพุทธศาสนิกโดยทั่วไปเนี่ย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 ให้คนอื่นทำแทนไม่ได้พระพจะเจ้ า, จาครูอาจารย์และพ่อแม่เป็นเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณานุขุณต่างๆนั้นตนต้องทำเองจะได้ครูดีสักเพียงใดก็ตามถ้าสิทธิ์ไม่ยอมทำตามเสียอย่างเดียวก็ไม่อาจศึกษาวิชาให้สําเร็จได้พ่อแม่ดีเพียงใดก็ตามสั่งสอน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 หลงเหลิงใจดีใจเออเราเกิดทันพระพุทธศาสนานีหลงพ่อชานะโอ้ยศาสนาตั้งอยู่โจโ ก, โกว่าเป็นยังดอกก็าภาษาอีสานว่าเนีเออ่คือศาสนาอยู่ไม่เป็นไรหรอกเราปลอดภัยไม่ทําเองจะได้อะไรท่านบอกก็เหมือนกับอาหารตั้งอยู่ในถ้วยเนะี่ยไม่หยิบเข้าปากมันก็มันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนละท่านว่าอย่างนั้นนะจริงอยู่เมื่ออยู่ในวัยเด็ก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 เมรพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์บำบุงจากพุทธบริษัทก็เพราะท่านมีศีลอาศัยศีลของท่านเป็นที่พึ่งพ่ำนักถ้าเป็นพระทุศีลก็ไม่มีใครอุปถัมภ์บำบุงเนี่ยอันนี้มันก็เป็นหลักความจริงนะที่ให้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรเราเนี่ยโดยธรรมชาติของคนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะใส่ใจเนี่ย แต่ถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานแต่ถ้าพตฤฤฤิดีปฏิบัติชอบเนี่ยมีศีลมีธรรมเนี่ยถือว่ามีคุณธรรมสูงเนี่ยก็ให้ได้สติใจเนี่ยแต่นัจนพระถ้าไม่ได้คิดเรื่องนี้ก็เอาแล้วไปนอนสบายกินสบายเนี่ยมันก็ขาดทุนมันกันแต่อาจารครูบาอาจารย์ก็ย้ำสอนเรื่องนี้เนี่ยในโบราณเขาก็พูดไว้ด้วยนี่อย่าไป กินของเขาแล้วเป็นนอนเนี่จะเป็นควายอีตู้ไถนาได้เท่านั้นควายตู้สอนยากด้วยนะเกิดในชาติไหนชาติไหนก็ต้องไปใช้เขาใส่แอกใส่ไถว่างั้นท่านพูดในกลัวนะส่วนเรื่องที่พพุทธศาสนาสอนให้พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งระลึกนั้นโดยใจความก็คือให้ถือพระรัตนตรัยในฐานะเป็นผู้บอกทางเป็นแสงสว่างในหนทาง มิใช่ให้ท่านมาทำความดีแทนให้ความดีเราต้องทำเองดังพุทธภาสิทธ์ส่งเตือนว่าตุมเหหิกิจจังอาตะปังอักขาตาโรตถาคตาความเพียรเครื่องเผาบาปท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นในที่บางแห่งทรงสอนให้พึ่งพระธรรมดังได้อธิบายแล้วคือให้ถือธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ชีวิตที่เดินตามอัธรรมพบแต่บาปเดินตามธรรมพบแต่บุญตนที่ปราชจากธรรมเป็นตนที่ว่างเปล่าตนที่มีธรรมเป็นตนที่เพียบพร้อมด้วยคุณค่าส่วนข้อว่าบุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากนั้นพระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาที่พึ่งคือพระนิพพานซึ่งบุคคลสามารถถึงได้โดยวิธีเดียวคือการฝึกตนให้ดี เริ่มตั้งแต่การสํารวมในศีลทำจิตให้เป็นสมาธิและอบรมปัญญาให้รุ่งเรืองพระอรหัตผลนั้นคือที่สุดแห่งดีของตนท่านจึงว่าความดียิ่งทำยิ่งหมดคือไม่มีอะไรจะต้องทำอีกส่วนความชั่วยิ่งทำยิ่งยากทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดเหมือนยิ่งว่ายิ่งลึกคนอื่นแม้จะรักเราเป็นที่พึ่งของเรา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 ลูกที่เลี้ยงพ่อแม่นั้นจะไม่ตกต่ำไม่เคยเห็นใครตกต่ำพ่อเลี้ยงพ่อแม่เลยกุศลแห่งความกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นให้ผลแรงและให้สม่าเสมอเลี้ยงพ่อแม่อยู่ในบ้านเหมือนมีเทพเจ้าไว้คุ้มครองเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งคุณความดีเกี่ยวกับการเงินผู้หวังพึ่งตนเองควรจะเก็บเงินไว้ในคราวจาเป็นบ้างเช่นคราวเจ็บไข้ไม่สบายไม่ควรประมาท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 คนที่ชอบถามหรือลอกจากคนอื่นแม้จะผ่านไปได้ในระยะต้นแต่จะมีภาระหนักดักอยู่เบื้องหน้าเพราะตนไม่มีความรู้จริงยิ่งขึ้นไปชั้นสูงยิ่งลำบากและมักไปไม่ได้ไกลในการเรียนเป็นการลงโทษตนเองอย่างหนึ่งมินเกียรติศักข์แห่งตนล่วงละเมิดละเบียบข้อบังคับของสถานที่สอบหากกรรมการจับได้ถูกทำโทษห้ามสอบเป็นจำนวนปีบ้างให้ตกในวิชาที่ทุจริตนั้นบ้างนอกจาก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 พันน า, าไปก็มีเรื่องจะต้องพูดอีกมากขอยุติด้วยความสมควรเพียงเท่านี้ก่อนหากให้พิสดารก็ควรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งต่างหากทีเดียวพระพุทธภาษิตเรื่องการพึ่งตนเองนี้พระาศาสดาทรงสแสดงที่เชตวนารามทรงปรารกมานดาของพระกุมารกัสปะมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้มานดาของพระกุมารกัสปะเป็นธิดาเศรษฐีในกรุงราชค ขออนุญาตบรรพชาตั้งแต่พอรู้เดียงสาแต่มารดาบิดาไม่อนุญาตจนกระทั่งได้แต่งงานในวัยสาวเมื่อแต่งงานแล้วตั้งใจปฏิบัติสามีดังเทวดาต่อมาตั้งขันแต่นางไม่รู้ขออนุญาตสามีเพื่อบรรพชาสามีอนุญาตและนำนางไปสู่สำนักภิกษุณีด้วยสการะอันใหญ่ได้บรรพชาในสำนักภิกษุณีอันเป็นบริวารของพระเทวทัตท้งนี้เพราะไม่รู้ ต่อมาคันของนางเจริญขึ้นพิกษุณีทั้งหลายมาทักถามว่าอะไรกันนี่นางตอบว่าไม่ทราบแต่ศีลของนางไม่ได้ด่างพร้อยเลยพิกษุณีทั้งหลายนำนางไปสู่สำนักพระเทวทัตถามพระเทวทัตว่าพิกษุณีนี้บวช ด, ด้วยศรัทธาแต่คันปรากฏขึ้นในขณะบรรพชาจะทำอย่างไรพระเทวทัตนั้นคิดแต่เพียงว่าหากเรื่องภิกษุณีมีคันนี้รู้ไปถึงคนทั้งหลายเขาก็จะตาหนิดได้ ความเสื่อมเสียจากตกแก่ภิกษุณีผู้ทําตามโอวาทของเราดังนี้แล้วกล่าวว่าพวกเธอจงให้ภิกษุณีนี้สึกเสถิดภิกษุณีผู้มีคันฟังคําของพระเทวทัตแล้วตกใจและเสียดายเพศบรรพชาของตนเพราะบวช ด, ด้วยศรัทธาไม่ปรารถนาจะศึกจึงกล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายว่าแม่ทั้งหลายข้าพเจ้าบวช ด, ด้วยศรัทธาไม่ได้เจาะจงพระเทวทัตขออย่ากให้ข้าพเจ้าต้องเสื่อม จากเพศภิกษุณีเลยขอจงนำข้าพเจ้าไปยังสำนักพระศ า, าสดาเถิดภิกษุณีทั้งหลายได้นำนางไปสู่สำนักพระศาสดาที่เชตวนารามกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่านางภิกษุณีนี้ตั้งขันตั้งแต่ก่อนบรรพชาแต่เพื่อให้แจมแจ้งแก่คนทั้งหลายจึงทรงขอร้องให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศล น, นางวิสาขา มหาอนาถบินิกะจุลละอนาถบินิกะและตระกูลใหญ่ๆอื่นๆให้มาประชุมกันทรงให้พระอุบาลีเป็นประธานกรรมการสอบสวนคดีนั้นเมื่อคณะกรรมการพร้อมแล้วพระอุบาลีได้ขอให้นางวิสาขาพิจารณาสอบถามนางวิสาขาให้กั้นม่านเข้านำนางภิกษุณีเข้าไปในม่านพิจารณาดูมือเท้าสะดือและท้องน้อย แล้วนับเดือนและวันดูจึงทราบว่านางตั้งครรภ์ตั้งแต่สมัยเป็นขฤรือหัตจึงบอกความนั้นแก่พระอุบารีเทระพระอุบารีเทระจึงแจ้งแก่คณะกรรมการว่าภิกษุณีนี้เป็นผู้บริสุทธิ์คณะกรรมการได้แจ้งแก่พุทธ บ, บริษัททั้งปวงต่อมานางได้คลอดบุตรเป็นชายมีอนุภาพมากมีบุญอันได้กระทาไว้แล้วมากตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตตะ วันหนึ่งพระราชาประสเสททิโกศนเสด็จผ่านสำนักภิกษุณีทรงสดับเสียงเด็กร้องทรงทราบเรื่องตลอดว่านั่นเป็นเสียงบุตรแห่งภิกษุณีนั้นมีพระประสงค์จะสงเคราะห์จึงได้นําเด็กไปเลี้ยงไว้ในวังพระราชาทานนามว่ากัตสปะและเนื่องจากได้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์คนทั้งหลายจึงเรียกเด็กนั้นว่ากุมารกัตสปะ เมื่อรู้เดียงสาขณะเล่นกับเด็กอื่นๆที่สนามกีฬากูมานกัสปะติเด็กอื่นเด็กพวกนั้นจึงด่าว่าเอาว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่กูมานกัสปะทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาและทูลถามว่าใครคือมารดาบิดาของตนพระราชาตรัสบอกว่าหญิงแม่นมทั้งหลายนั่นแหละคือมารดาของเจ้ากูมานกัสปะไม่เชื่อทูลว่ามารดาต้องมีคนเดียวไม่มีมากอย่างนี้ พระองค์ได้ตรัส บ, บอกความจริงเถิดเมื่อกุมารอ้อนวอนบ่อยๆพระราชาไม่อาจปิดบังได้จึงได้ตรัสเล่าความจริงให้ฟังทุกประการกุมารกัษปะทราบความจริงแล้วสลดใจจึงทูลขออนุญาตบรรพชาพระราชาท ร, ราางพระอนุญาตตามประสงค์เขาได้บวชในสำนักพระศาสดาเมื่ออายุครบอุปสมบทได้อุปสมบทแล้วมีนามว่ากุมารกัษปะเทระ ท่านเรียนกรรมฐานจากพระศ า, าสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าแม้ทำความเพียรพยายามปานใดก็ไม่อาจให้บรรลุคุณวิเศษได้จึงคิดว่าเราควรกลับมาให้พระศาสดาตัดบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปดังนี้แล้วมาฟ้องพระศาสดาแรมคืนอยู่ที่อันทวันกลังนั้นภิกษุที่เคยเป็นสหายกับท่านสมัย พระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มรุอนาคามิผลแล้วบังเกิดในพรหโมโลกลงมาจากพรหมโลกถามปัญหา15ข้อโปรดดูรายละเอียดในวั ม, มิกสูตรมัชฌิมนิกายมู ล, ลปัญนาะตะ萨ปิดกเล่ม12เรื่องที่สแห่งโอปัมมวั์ที่สมมาถามปัญหา15ข้อกับพระกุมารกสปะนั้นแล้วกล่าวว่าท่านจงไปเถิด นำเอาปัญหาทั้ง15ข้อนี้ไปทูลถามพระศาสดาคนอื่นนอกจากพระศาสดาไม่สามารถพยากรปัญหานี้ได้วันรุ่งขึ้นพระกุมารกสปะนำปัญหาเข้าทูลถามพระพุทธองค์และได้บรรลุพระอาราตผลเมื่อพระสัพพลทรงแก้ปัญหาจบฝ่ายมารดาของพระกุมารกสปะจำเดิมแต่พระลูกชายออกบําเพ็ญสมณธรรมในป่าแล้วมีความทุกโธมนัดเป็นเบื้องหน้าน้ําตาหลัง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 เราจะพูดกับมารดาด้วยเสียงกระด้างดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าเที่ยวทำอะไรอยู่ตั้ง12ปีจึงไม่อาจตัดแม้ซึ่งความรักได้นางได้ฟังดังนั้นคิดว่าคำแห่งลูกชายของเราหยาบจริงถามซ้าอีกว่าท่านพูดอะไรนั่นเมื่อพระเถระพูดอย่างเดิมนางจึงคิดว่าเราไม่อาจกั้นน้ำตาได้ร้องให้เพราะ ล, ะลึกถึงบรนี้ถึง12ปีแต่หัวใจแห่งบรของเรากระด้างเลือเกิน ไม่มีความเยื่อใหญ่ในเราเลยประโยชน์อะไรด้วยความรักในบุตรเช่นนี้นางตัดอะไรในพระเถระและบำเพ็ญสมณะธรรมบรรุพระอรหัตผลในวันนั้นทีเดียวต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าท่านทั้งหลายพระกุมารกสปะและพระเทรีผู้มีปนิสัยอย่างนี้ถูกพระเทวทัตทำให้เสื่อมเสียแล้ว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 เจ้าหรือคนอื่นพึงคบเนื้อชื่อนิโครทะเท่านั้นอย่าคบเนื้อชื่อสาขะความตายในสำนักเนื้อชื่อนิโครทะประเสริฐกว่าส่วนความเป็นอยู่ในสำนักเนื้อชื่อสาขะไม่ประเสริฐเลยทรงประชุมชาดวกว่าเนื้อชื่อสาขะเป็นเทวทัตบริษัทของเนื้อชื่อสาขะเป็นบริษัทของพระเทวทัตแม่เนื้อตัวถึงวาระถูกฆ่าเป็นพระเทรีบุตรเป็นพระกุมารกสปะ ส่วนเนื้อชื่อนิโครทะผู้สละชีวิตแก่แม่เนื้อผู้มีคันคือเราตถาคตนี้เองเมื่อจะทรงประกาศความที่พระเทรีตัดความรักในบุตรทมที่พึ่งแก่ตนด้วยตนนั้นแหลจึงตัดว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยผู้อื่นไม่สามารถจะไปสวรรค์หรือทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้เพราะจะนั้นตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ดังนี้แล้วทรงสืบอนุสสนทิแสดงธรรมว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากมีนัยะดังพนานามาแล้วนั่นแลหละบาปอันเกิดขึ้นในตนพระพุทธภาษิท อัตนาหิกะตังปาปังอัตระชังอัตสัมภวังอภิมัติปติทุมเมทังวชิลังวัมพยังมณิงแปลว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแก่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ํมยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรเกิดแต่หินกัดก่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้น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 ย่อมต้องการยาคือบุญมาเป็นเครื่องปิดกัน้นหรือละลายดังพระพุทธภาษิตว่ายัศปาปังกระตังกรรมมังกุสเลนะปิถียติโสมังโล ก, กังประภาเสติอัภามุตโตวจันทิมากรรมชั่วที่บุคคลใดทำแล้วและปิดกัน้นมันได้ด้วยกุศลกรรมผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น เมื่อบุคคลมันสังสมบาปไว้ในตนบาปนั้นพ่อคูนมากขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมันก็มีพิษแสดงฤทธิ์ออกโดยการทำลายบุคคลผู้ทำนั้นทำนองเดียวกับยาพิษคนทำบาปย่อมได้รับผลของบาปทุกคนไปจะเร็วหรือช้าเท่านั้นนี่แหละท่านจึงว่าย่อมย่อมยีกัดกร่อนคนเขาเหมือนเพชรกัดกร่อนแก้วมณีเมื่อในช่างเจรนยแก้วมณีเขาก็ใช้เพชรเป็นเครื่องมือเจรนย เราคงเคยเห็นช่างตัดกระจกกรอบรูปเขาก็ใช้กากเพชรติดปลายมีดเป็นเครื่องมือตัดแก้วกระจกนั้นท่านจึงว่าอ่อนก็อ่อนให้เหมือนเส้นไหมไว้ผูกพยักขึ้นโยงเขี้ยนแข็งก็แข็งให้เหมือนวิเชียนไว้จิรไนแก้วได้ท่านว่าทั้งแก้วมันีและเพชรก็เกิดจากหินเหมือนกันวงเล็บในยะอตรตถกถาธรรมบทคืออัตถกถาของพระคาทานี่เอง เพชรแข็งกว่าจึงเ จ, จาะเจรไนแกน้วมณีให้เป็นรูต่างๆตามประสงค์ของช่างความจริงเพชรก็คือฐานสีขาวนั่นเองลองเอาเพชรมาเผาไฟดูก็จะเป็นฐานมันมีราคาขึ้นมาเพราะแสงอันแววๆของมันคนชอบเอามันมาเป็นเครื่องประดับทำนั่นทำนี่แววๆดีแสดงฐานะของผู้แต่งว่ามั่งคั่งแต่เพชรนี้ได้เป็นเครื่องมือฆ่าคนมาก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 มหาการอุบาสกนั้นรักษาอุโบสถศินเดือนละ8วันคือวันขึ้นและแรม7ค่ำ8ค่ำ14่ค่ำและ15้าค่ำในวันที่รักษาอุโบสถศินเขาจะฟังธรรมในวัดทั้งคืน เ, เราเคยฟังทั้งคืนปาไม่รู้เก่ง <c> ค <oughs> <c oughs> ืนหนึ่งพวกโจรขโมยทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งเอาห่อของไปเนี่ยเจ้าของบ้านตื่นขึ้น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 ในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพราณศีเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ราชดรพระราชาจึงทรงตั้งราชพัฏคนหนึ่งไว้ที่ปากดงนั้นคือข้าราชการแต่ราชพัฏนี้นอกจากรับเงินเดือนหลวงแล้วยังรับเงินจากราชดร อ, อีกด้วยคือรับค่าจ้างแล้วนาคนผู้เดินทางจากฝากนี้ไปยังฝากโ น, น้นนาจากฝากโน้นมายัางฝากนี้ วันหนึ่งชายผู้หนึ่งขับยานน้อยมากับภรรยารูปสวยถึงที่นั่นราชพัฏพอได้เห็นภรรยาของชายนั้นเท่านั้นเกิดความเสน่หาคิดจะฆ่าสามีเอาหญิงนั้นเป็นภรรยาเมื่อบุรุษนั้นขอร้องให้นําเขาข้ามดงก็ตอบว่าเวลานี้มืดแล้วไว้พรุ่งนี้เถอะความจริงยังมีเวลาอยู่แม้ชายนั้นจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเขาให้สัญญาณแก่ ลูกน้องให้ยานน้อยนั้นกลับและให้ไปพักที่บ้านของเขาเองตอนกลางคืนได้ให้คนใช้แอบเอาแก้วมณีดวงหนึ่งไปซ่อนไว้ในยานของบุรุษนั้นพอรุ่งเช้าก็โวยวายขึ้นว่าแก้วมณีหายและคนได้ที่ยานของสองสามีภรรยานั้นจึงช่วยกันทุบตีจนบุรุษนั้นตายเพราะกรรมนั้นเขาไปบังเกิดในอเวจีนรกเสียนานเพราะวิบากกรรมนั้นเขาจึงถูกทุบถึงตาย สิ้นร้อยอัตภาพพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทําไว้นั้นแหละย่อมย่อมยีสัตว์ให้เดือดร้อนในอบายเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบาปอันตนทําไว้แล้วเกิดแก่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่อมยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรเกิดแต่หินกัดกร่อนแก้มณีที่เกิดแต่หินฉะนั้น ยังธรรมกถาสาทยสมันเตหิสันลักเเตปาติ อาจจะมากหน่อยจาได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นการได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็ไม่เป็นไรนี่ก็คิดว่าน่าจะสะดุดใจบ้างไม่มากก็น้อยนี่ก็ดูท่านฟังทั้งคืนนะเนะฟังทั้งคืนไม่ได้ฟังได้ยังไงทั้งคื น, นแต่เราก็เคยฟังกันนะ ในเทศกาลต่างๆล้วก็เอามาใช้บ้างอยู่เหมือนกันการฟังมันก็มีอยู่สองลักษณะบุคลดังที่เคยกล่าวแล้วว่าถ้าคนยินดีในธรรมพอใจในธรรมก็จะไม่เบื่อในธรรมถ้าคนไม่ยินดีธรรมก็จะเบื่อในธรรมมีอยู่สองประเภทเถ้าไม่ยินดีในธรรมฟังแล้วโอ้ยม่ไรจะเลิกเมื่อจะสักทีน้ ดึกแล้วดูนาฬิกาก็ล่วงเลยไปใกล้จะได้เวลานอนแล้วเนะี่ยแต่ถ้ายินดีในธรรมนี่โอ้ยทไมมันเสร็จเร็วแต่ว่าน่าจะต่ออีกสักเรื่องสองเรื่อ ง, ง, องกำลังฟังเพลินๆนี่นีนั่นคือความยินดีในธรรมแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกคนยินดีในธรรมย่อมเป็นผู้เจริญนะี่คนไม่ยินดีในธรรมย่อมเป็นผู้เสื่อมจะเลือกกอบวันไหนนะ หรือผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างอุปนิสัยปัจจัยขึ้นมาเนี่ยให้นิยมหรือให้ชอบฟังในเรื่องที่ดีๆเนี่ยเรื่องดีๆเนี่ยบางทีก็เหมือนอาหารไม่ค่อยอร่อยไม่ถูกปากเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นคุณค่าต่อร่างกายธรรมะก็เหมือนกันเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจ แ, แต่มันคุณค่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจนีย ไม่ถูกใจแต่มันมีคุณค่าต่อจิตใจนี่เรายังไม่เห็นคุณค่าตอนนี้แต่ว่าต่อไปมันเห็นคุณค่านี่นี่มันย่อมเป็นอย่างนี้แหละการทำความดีเราถึงมักจะพูดผิดๆว่าทำดีนี่ยากเนาะคือเราอยากอยากจะให้มันทันใจทำปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยคือไม่อยากจะลงทุนอยากจะนอนเอาได้ซ้ำไป นอนแล้วได้โอ้ยมันก็ต้องไม่มาลำบากกันอย่างนี้นงอาตมาก็ไม่ต้องมาลำบากอยู่ปานนี้เห็น <c oughs> ถ้ามันง่ายขนาดนั้นนะนี่มันเป็นสิ่งที่ยากเหมือนท่านว่าการฝึกตนไม่ใช่ฝึกได้ง่ายๆเนี่ยถ้าไม่ฝึกตนมันก็ยิ่งแย่นะคนเราเนะี่ยขนาดว่าฝึกแล้วมันก็ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่เต็มตามความประสงค์ที่เราต้องการเลยมันยังมีสิ่งที่ต้องฝึกไปอีกเยอะ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจเนี่ยปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยมันก็เผลอประมาทได้ง่ายก็ต้องคอยควบคุมตลอดเวลาตราบใดยังเป็นเสขาบุคคลนะคคือเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ยังไม่พ้นอันตรายดยผู้ที่ยังศึกษาอยู่ยังไม่ไม่พ้นอันตราย เ, เหมือนคนเดินทางยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ย นี่ก็ชื่อว่ายัางไม่ถึงจุดหมายอันตรายก็ย่อมมีนี่จะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่จะต้องเป็นผู้ที่ระวังนี่ระแวดระวังอยู่เสมอเนี่นการศึกษาธรรมะก็เพื่อให้เราได้มีจิตใจนี่หล่อหลอมอยู่กับธรรมนี่ให้ธรรมมันเป็นเครื่องยอยู่นี่ขนาดธรรมดีมากมากเลยนะมาทำชั่วนิดเดียวเท่านั้นนะมันยังคาใจเหมือนเมื่อวานนีอ่าน ประวัตินางมาริกาเนี่ยจริงๆพระนางมาริกาเป็นหญิงที่ฉลาดมากนะพระเจ้าปเสนที่โกศลนี่ยได้อาศัยนางทั้งหลายเรื่องหลายราวเลยตอนจะบูชายันนะั้นก็อาศัยพระนางมาริกาเหมือนกันเนะี่ยบอกว่าให้ดึงออกการกระทําชั่วเนี่ยแต่พระนางพลาดนิดเดียวเท่านั้นนะเพราะคนทําดีไว้มากไปทำชั่วนิดเดียวมันฝังใจไงฝังใจเมื่อมันละออกไม่ได้มันคาใจอยู่ทั้งที่ความดีทําได้ตั้งเยอะ รวมทํามหาทานกับพระเจ้าเปรเ์เซนที่โกศลเราทดีทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยมันมีความเศร้าหมองเพียงหน่อยเดียวทังยังตกนรกตั้งเท่าไรเจวันไม่ใช่เลยที่เราฟังมนเมื่อวานนี้พระพุตเตจ้าทรงอะนุเคราะห์กลัวว่าพระเจ้าเประเสซนที่โกชนจะทรงเสียพระไทยมากนะเนี่ยก็เลยทรงถ้าพูดภาษาเราแล้พูดให้ลืมคําที่จะถาม นี่ว่าจะไปถามพระเจ้าว่าเออนางไปเกิดที่ไหนเนาะนนช่วงนั้นนางตกนรกอยู่นี่นี่ถ้าพระองค์ไม่พยายามก่อนก็จะเสียพระไทยก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยทำไมถึงไม่เชื่อละ่ะเพราะว่าก็พระนางนี้ไม่เคยทําอะไรบกพร่อมีสิ่งดีดีตั้งเยอะแยะเลยนี่ทำดีจนหาความไม่ดีไม่ได้เนี่ยอ่าประราชาก็มองไม่เห็นจริงๆนะที่พระนางหลวงพระองค์ก็เชื่อด้วยห <laughs> ลวงก็เชื่อด้วย ก็เลยมองเป็นดีไปหมดเนี่ยนี่แต่ความไม่ดีก็เลยตกอยู่ที่พระนางนี่เจ็เศ้ามองต้องตกนรกอยู่ตั้งเจวันนียพระองค์เห็นว่าวันที่8ดนางก็จะขึ้นสวรรค์เนี่ยก็เลยรออยู่นะในว่าทําให้พระราชาลืมเรื่องที่จะถามทุกวันเลยพอวันที่8เนี่ยพอถามพระองค์เห็นว่านางเนี่ยพ้นจากนรกแล้วนีมาสวยความดีเนี่ก็เลย ตัดในบอกโอ้ยไปอยู่ชั้นอะไรล่ะ <c oughs> สรรดุสิตหรือเปล่า <c oughs> นี่โอยพระราชาปลื้มใจเลยดีใจจนกระทั่งว่าโอ้ยบอกว่าท่านางไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าดูแล้วไม่มีใครที่จะทําดีทํากุศลเหมือนพระนางนี้เลยพระราชาพรราณนาคุณความดีของพะมเหสีขึ้นขนาดนั้นนะถ้าทําดีขนาดนี้ไม่ไปสวรรค์มันก็ S <S <an> มันก็เรียกว่าธรรมะหรือคําสอนก็เป็นโมคะแหละเนี่ย น, นี่ก็เที่ยงแท้จะไปแต่อยากได้คํายืนยันจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเนี่ยนี่แต่มันประมาทไม่ได้เพระฉะนประมาทไม่ได้เนี่ยชีวิตนี่ถ้าประมาทมันก็ทําให้เราหันเหไปทางต่ําทางความชั่วได้ง่ายมากเนี่ยเมื่อกี้นี้เราฟังเป็น ว, ว่าบุคคลไม่ควรประมาทในวัยทั้งสเนี่ วสามวใดวหนึ่งเนี่ยต้องให้ได้ในชีวิตหนึ่งนี่ถ้าเสียทั้งสามวันี่หมดเลยเนี่เป็นโมฆะเลยชีวิตที่เสียดายนี่แถ้ามันเอ่ยุ่งยากมันลำบากในวัยต้ น, ต น, นก็ไวกลางนะก็ควรจะได้ไวัยกลางไม่ได้ก็วัยสุดท้ายเนี่ยวัยสุดท้ายได้เอ้า บางคนก็ อ, อยากจะรําจะรวยอยากจะหาให้มันได้เต็มที่ก่อนนะทำทั้งสองวัยมาแล้ววัยที่สมก็ยังจะดันเราอีกเนะี่ยยังไม่พอเนะี่ยคือมันไม่พอเต็มตามความปรนะสงค์เนี่ยแต่ถ้าบางคนคิดว่าโอ้ยทํามาทั้งสองวัยมันยังไม่ได้ไวัยสุดท้ายเนะี่ยมันจะได้อะไรกําลังมันก็หมดแล้วเนะี่ยอย่าเอามันดีกว่าเข้าวัดเขา้าวาฟังเทศฟังธรรมดีกว่าอย่างนี้เออก็เรียกว่ายังเปิดวัยสุดท้ายให้แก่ตนเองเนะี่ย ได้สร้างบุญสร้างกุศลได้สร้างคุณงามความดีเป็นสเบียงเดินทางต่อไปเนี่ยนี่ก็เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมานถ้าได้ทั้งสามใมันก็ยิ่งดีแล้วเป็นผู้ที่มีโชคนมีโชคมีลาบอันประเสริฐเนี่ยได้ทมตั้งแต่เด็กโตมาก็ไม่ทิ้งทมเด็กก็มีปณิสัยปัจจัยโตมาก็รักศีลรักธรรมแก่เท่ามาก็ ไม่ลืมเนี่ยนี่เป็นผู้ที่มีโชคดีเนี่ยนี่ธรรมะนี่ให้ข้อคิดแก่เราได้เยอะแยะมากนี่นี่ถ้ามาจำได้ไม่หมดลรอกอ่านให้ฟังนะไม่ได้อ่าจจะจำารืออ่านให้ฟังถ้าใครจำได้ก็มาเล่าให้ฟังก็ได้เดีเราเราให้ฟังอีกทีนึงนี่แต่เรื่องดีๆเยอะมากเลยเนะี่ยเรื่องนั้นท่านประกอบเพื่อให้ธรรมะชัดเจนนะนี่ท่านพยายามอธิบายธรรมะ เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจชัดเจนก็เลยยกเอาเรื่องมาประกอบเป็นนิทานมาประกอบนะจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนี่นิทานก็เป็นเรื่องที่อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ท่านก็ไม่ได้ให้เชื่อหรือไม่เชื่อหรอกนะให้ฟังพิจารณาดูนะแต่มันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลอยู่แต่ที่สําคัญคือธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นมันเชื่อมโยงกับบุคคลไย ก็เลยมีทั้งธรรมมาธิฐานปุกกะลาธิฐานนี่ตอนแรกๆวราอ่านอ่านเจอเรื่องนี้แหละเรื่องพระกุมันกัสสะกับแม่ท่านเนี่ยอ่านแล้วน้ำตาไหลเมือนกันตอนแรกเนี่ยจริงๆนางนั้นก็มีอุปนิสัยปัจจัยนีย่ตั้งแต่ยังเด็กเลยเนี่ยขอบวชพ่อแม่ก็ไม่ยอมนี่ผัดผ่อนผัดเพียนเน้ยนนี่ความเห็นมันต่างกัน ความเห็นต่างกันเนะี่ยพ่อแม่ก็อย่าว่าแต่สมัยโน้ตสมัยนี้เหมือนกันนะีอยากแต่ให้ลูกไปทำมาหากินส้างเนื้อสร้างตัวเนะี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งนะถ้ามองในแง่ธรรมะนะี่ยคือมองธรรมะยังไม่ลึกพอนะีอย่างเด็กบางคนมีปณิสัยเนะี่ยอยากจะอยู่เจอเยอะเหมือนกันนะอยากจะปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็ทุกข์มากกลัวลูกจะไม่ศึกกลัวไม่ ไปเรียนกลัวไม่ไปทำงานกลัวเนี่ยเป็นห่วงทางด้านโนนะ้นนจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคนมีปณิสัยต้องตอบปณิสัยให้เขาดีขึ้นเนะี่ยแต่ต้องมีปณิสัยนะคนมีสัยมันก็ดูไม่ยากหรอกนะไม่ใช่บวชมาเพื่อจะกินเพื่อจะนอนนะี่ถ้าเห็นว่าเออที่วัดอาหารสมบูรณ์ไว้บวช ด, ดีกว่ากินอันนั้นไม่ใช่นะกินแล้วนอนอย่างเดียวไม่ใช่ เดี่ยพวกที่มีปณิสัยคือทําวัดปฏิบัติได้ดีทุกอย่างเนี่ยไม่เกี่ยงเนี่ยมีวัดปฏิบัติอะไรนี้ขยันขันแข็ ง, ขงทำเนี่ยเขาเรียกว่ามีปณิสัยเนี่ยไม่ขี้เกียจไม่ขี้คลานฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ทำวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีปณิสัยปัจจัยเนี่ยนี่ลักษณะนั้นนะควรส่งเส ร, รมิมควรสนับสนุนเนี่ยเนี่ยเหมือนพนางเนี่ยแม่พระกุมารกส ป, ปะเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีอย่างว่าเนาะเศรษฐีก็ต้องมองไปอีกอย่างหนึ่ง ตัวจะไม่มีคนสืบสกุลเนี่ยทรัพสมบัติมากก็อย่างนั้นแหละนางก็พยายามมาสุดท้ายก็ได้แต่งงานเห็นไหมเพื่อจะเอาชนะเพื่ออยากบวชเนี่ยทำดีกับสามีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาใจสามีเพื่อจะได้พรจากสามีบ้างเนี่ยพอทำไปสุดท้ายก็ขอวันดีคื็ดีก็ขอไปบวชสามีก็เห็นโอ้ยความดีของนางมันเยอะการที่เขาขออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วขอเป็นทางที่ดีแล้วเราไม่ให้ก็แลกอะไรอยูน สามีก็เลยอนุญาตเนี่ยซึ่งนางก็ไม่รู้ว่านางมีครันตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเพราะยังเป็นท้องแรกนะคนใหม่อยู่ก็ยังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนี้ดินี่นี่เข้ามาก็มาเข้าสํานักพระเทวทัศน์ใช่ไหมว่าไม่รู้เรื่องแต่นั่นก็ไม่รู้มีแต่ศรัทธาอย่างเดียวไปสํานักภิกษุณีภิกษุณีก็มีสองกลุ่มสองพวกเหมือนกันได้แต่ก่อนเนี่ยจะมีพวกพวกของเทวทัศน์ก็มีพวกของ พระอาสิติมหาสาวกก็มี แ, แต่จริตนิสัยชอบเนี่ยพอเรื่องเกิดขึ้นพระเทวทัตตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทําลายสงฆ์อะไรเนาะนก็กลัวว่าโอยถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้เนี่ยคนก็ศรัทธาหมดนะที่พอหมดเราจะลําบากเนี่เราเป็นครูเขาด้วยเป็นคนสอนเขาด้วยเนี่ยแม้ลูกศิษย์พระเทวทัตเป็นอย่างนี้เรื่อยเนี่ยก็เลยบอกให้ศึกแต่นางก็ยืนยันว่า นางนั้นมีความบริสุทธิ์ใจนี่ไม่มีความผิดไม่มีความเศร้าหมองในเรื่องนี้นออนวอนให้ไปเฝ้าศ า, าสดานี่ยจึงได้เป็นเรื่องใหญ่ไงเอาพระอุบาลีท่านเก่งทางพระวิ น, ยนัยนี่นางวิสาขามหาบาสิกาก็ทางโลกก็เป็นคนที่เกิดมานานเนาะเจนจัดทางโลกในเรื่องนี้เข้าใจดีเนี่เอาเศรษฐีต้องสองสามเศรษฐีเนี่ยมาเป็นพยานมารับฟังนี่ เป็นพยานนากวิสาขานี่เก่งเห็นไหมตัดสินคดีเรื่องนี้เอาตรวจดูแล้วก็ตัดสินได้เนี่ยแล้วก็ทุกคนก็ยอมรับเนี่ยแล้วก็ลูกก็ดีแม่ก็ดีนี่ลูกเมื่อสําเร็จแล้วอนุเคราะห์แม่เนี่ยให้สําเร็จได้เนี่ยถ้าเป็นเรานี้คงจะทําให้แม่นะี เดี๋ยวก็ไหว้วบนในวัตาสงสารยาวนานเพราะความรักกันเนาะแต่ท่านก็แต่เห็นอุปนิสัยก่อนนะถ้าไม่เห็นอุปนิสัยทำแล้วเสียเนยตกนรกนแต่ถ้าเห็นอุปนิสัยว่าอุปนิสัยมารดาเนี่ยมีอุปนิสัยที่จะสำเร็จเป็นพระหารได้เนี่ยท่านจึงกล้าที่จะพูดคําที่กระด้างไงนี่คำว่าบวชมา12ปีเนี่ยแค่นี้ยังตัดความรักไม่ได้จะเอาอะไรในนัีน่อ ตั้งตั้งที่นางร้องให้มาพอคิดถึงลูกตั้ง12ปีนี่ยอยากจะได้คําพูดของลูกเพราะๆสักคำหนึ่งโอ้ยรักแม่คิดถึงแม่สักหนแต่กับแม่ได้ยินเนี่กับได้คําที่หยาบกระด้างขึ้นมานี่ด้วยความเสียใจก็แปลกนะความเสียใจนีเป็นเหตุให้บรรลุภ า, ารหันก็ได้เลยเสียใจมันก็ทอดอะไรนะโอ้ยหวังพึ่งลูกก็พึ่งไม่ได้นี่หวังจะได้คําดีๆไม่ได้เมื่อลูกพูดอย่างนี้อย่าเอาดีกว่านี่ย เราศาทุกมาตั้ง10กว่าปีเนี่ยหันมาเอาธรำรเต็มที่เลยปฏิบัติธรรมเต็มที่เนี่เลยตัดความรักความอะไรออกไปได้ทีนี้ความกังวลเรื่องนั้นไม่มีก็เลยสําเร็จเป็นพระหันได้เนี่ยนี่พระกุมารกสปะท่านก็เก่งนะอัตมายังประทับใจท่านอ่านพระสูตรเนี่ยพระสูตรหนึ่งเนี่ยท่านไปไขข้อห้องใจพระยาปายาสิอะไรเนี่ย ที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะโอ้ยท่านท่านมีเอตตะคะในการแก้ปัญหาได้วิจิตพิสด า, ารไพเราะเนี่ยต้องต้องไปตามอ่านดูเรื่องเรื่องนี้เนี่ยที่ถอนทิฏฐิมานะของพยาปายาสิได้นี่นี่คือท่านพระยาเคยเล่าให้ฟังเห็นไหมท่านไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปชาตินี้ชาติหน้าซึ่งมีมาตั้งแต่มสมัยนนแล้วเนี่ย ท่านว่าท่านพิสูจน์มาหมดแล้วมันไม่มีนี่ยอย่างยกตัวอย่างเล่าให้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมันดึกแล้วยกตัวอย่างว่าอย่างนร ก, กสวรรค์ไม่มีนี่ที่ไม่เชื่อว่าไม่มีเพราะพระ อ, องค์พิสูจน์แล้วนี่พิสูจน์ว่าอย่างไรนะ<ม>บอกว่าคนที่เป็นบริวารของพระ อ, องค์แบ่งเป็นสองพวกไว้ก่อนนี่พวกหนึ่งให้เขาทำดีตั้งแต่การให้ทานการอะไรรักษาศีลอะไรก็แล้วแต่นี่พวกหนึ่งพวกหนึ่งให้มันทาชั่ว ทำชั่วอย่างเดียวเนี่ยตั้งแต่ปานาติบาทให้ปิดสินไปทั้งหมดแหละเนี่ยแล้วก็รอดูพวกนี้รอให้มันตายมันไปขึ้นสวรรค์ตกนรกจริงหรือเปล่า่าอย่างนั้นเอาถ้าพวกที่ทำดีเนี่ยตายไปเนี่ยก็สั่งไว้หมดนะที่ให้ทำอย่างนี้ก็สั่งไว้ทุกคนถ้าใครตายนะถ้าตายแล้วใครไปสวรรค์นในฝ่ายที่ทำดีนะอย่าลืมมาบอกเรานะ ถ้าไม่บอกก็แสดงว่ามันไม่มีทําไม่ไ ม, มีตายก็ตายศูนย์ไปเปล่าๆพวกทําชั่วก็เหมือนกันถ้าตายนะในกลุ่มที่ทําชั่วที่แยกไว้นั่นนะถ้าตายแล้วตกนรกจริงก็ให้มาบอกนะให้มาบอกด้วยปรากฏว่าคนตายแล้วตายแล้วลทังสองฝ่ายไม่มีใครมาบอกสักคนเล่อยวะอันนี้พูดเป็นตัวอย่างมันมีหลายข้อนะกลัวมันจะเด็กอบอกว่าโยมก็เลยไม่เชื่อว่า นรกมีสวรรค์มีนี่นี่นโตกับพระกุมารกษา น, นี่ท่านก็ท่านก็เลยประมาให้ฟังว่าโอ้ประมาว่าถ้ามหาบพิษพิสูจน์อย่างนั้นก็จะยกตัวอย่างให้ฟังว่านคนที่ทำชั่วนะคือทำบาปไว ม, มากเนี่ยเท่าประมาว ก, กับปัจจุบันนี้นคนทำชั่วมากๆเมื่อเจ้าหน้าที่จับได้นะ พอจับได้เนี่ยอาจจะโทษถึงประหารก็ได้นะถ้าหนักๆถึงประหารเยถ้าโทษถึงประหารนี้พอถูกจับได้ปุ๊บนเนี่ ย, เ, ยเขาอาจจะขอว่าขอเจ้าหน้าที่ว่าขอให้ไปบอกญาติก่อนได้ไหม <c oughs> ไปจัดการเรื่องญาติเรื่องอะไรก่อนให้เรียบร้อยก่อนได้ไหมเขาจะปล่อยมาไหม <c oughs> เขาไม่ปล่อยเนี่ยพอโทษมันหนักเขาก็จะเอาไปเข้าคุกเข้าตารางกงขังเขาไม่ยอมปล่อยมาเนี่ย อันนี้ก็ชั้นใดเนี่ยคนที่พระองค์สั่งไว้เนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาได้นี่ยพยมพบาลจับไปแล้วจะเจอลงนรกอยู่แล้วแต่ขอว่าไปบอกญาติก่อนไม่มีเวลาทำชั่วมากนักลงนรกอย่างเดียวว่างั้นท่านอุปมาเปรียบเทียบนะคนขึ้นสวรรค์เหมือนกันใ่ถ้าทำดีพวกสวนความดีนนเนี่ยไปสวรรค์เนี่ยพวกนี้จะเพลิดเพลินหน่อยนะเพลิดเพลินนพอไปสวรรค์นเนี่ยมัน เปรียบเทียบกับมนุษย์นี่มันโอ้ต่างกันเยอะว่างนั้นเนี่ยต่างกันเยอะไปเพื่อเพลินอยู่สวรรค์ก็คิดว่าเอ้ยสักสองสามวันจะไปบอกญาติว่าสวรรค์สวยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าพอสองสามวันพระองค์ก็ตายซะแล้วอี่เพราะเวลาสวรรค์กับเมืองมนุษย์มันต่างกันเนียนี่แต่ละชั้นนี่ร้อยปีมนุษย์ในสวรรค์ชั้นอะไรนี่เป็นหนึ่งวันของสวรรค์ชั้นนั้นน่ะนี่ เพียงแต่ว่าอีกสักวันหนึ่งจะมาบอกก็ตายแล้วใช่ไหมมันร้อยปีนี่คนจะอยู่ถึงร้อยปีเลยที่นั่นี่แต่ก็บอกว่าเขาคิดจะมาบอกเนี่ยเพียงแต่ว่าเออสักสองสามวันจะมาบอกเนี่ยพระองค์จะอยู่ได้ถึงเลยเนี่ยเนี่เพราะว่าร้อปีเมืองมนุษย์ถึงเป็นหนึ่งวันหนึ่งคืนของเมืองสวรรค์ชั้นนั้นนะแต่เรื่องไม่จบนี่ยเว่าพระองค์เนี่ยท่านก็รันล้นหน่อยนะ แล้วท่านเห็นหรือว่าไงท่านเห็นหรือว่าสวรรค์นรกเป็นอย่างไรก็ว่าไปโน้นเรื่องยาวมันจะเด็กแล้วแตมายังไม่เร่าต่อเอาไว้ศึกษาเป็นข้อคิดพอเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้คิดว่าอย่างน้อยๆนะสวรรค์ในอกนรกในใจความสุขในปัจจุบันความทุกข์ในปัจจุบันก็เป็นข้อพิสูจน์ให้เราเห็นได้อยู่แล้วล่ะถ้าเราทาสิ่งใด ที่มันเป็นความผิดความไม่ดีเนี่ยเราก็เป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นแหละเขาเรียกว่านารกทั้งเป็นเห็นไหมเราเรียกว่านารกทั้งเป็นเนี่ยถ้ามันตกนรกอค่นี้ก็ข้างหน้าก็ไม่ต้องสงสยัยหรอก ม, มันทุกวันนี้พรุ่งนี้มันก็ทุกข์มันร้อนวันนี้พรุ่งนี้มันก็ร้อนเนี่ยแต่ถ้ามันดีวันนี้เนี่ยทำดีวันนีน้นั่นแหละเป็นกําไรทั้งหละเนี่ยถ้ามันมีหรือไม่มีในเรื่องชาติหน้าชาติไหไไม่ต้องไปสงสัยเนี่ย แต่ชีวิตของเราดําเนินไปเราต้องการความสุขหรือความทุกข์ตรงนี้ต่างหากนีถ้าเราต้องการความสุขนั่นแหละทางแห่งสวรรค์ก็ต้องดําเนินให้ถูกต้องนีถ้าดําเนินไม่ถูกต้องก็ไปนรก ท, ท, ท, ทั้งที่หายใจอยู่นี่แหละเน่ยนี่แหละโบราณนิวาสวรรค์ในอกนรกในใจนี่เราทําอะไรเดือดร้อนก็ตกนรกทันทีเลยนี่นี่ธรรมะนี้เรียกว่าเป็นธรรมอาทิฐานนี่ยไม่ต้องไปอิงปุกลาอาทิฐานนี ธรรมาทิฐานเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราเห็นจากการปฏิบัติของเราเองเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติเราก็มองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นก็มีความเห็นผิดเชื่อผิดทำผิดเนี่ยไปตามความเห็นผิดก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกเนี่ยาะนั้นถ้าเราเชื่อว่าเออทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ก็เท่ากับว่าเราเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เหมือนกันนี่ถ้าไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ก็เรียกว่าปฏิเสธนรกสวรรค์นี่ แล้วจะเป็นอย่างไรก็ลองดูพิสูจน์ได้เลยในปัจจุบันนีนะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาได้พักผ่อนนยไหวพระ ก, ก่อน